3. ปัตตวะ 6. สุตตวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอด้วยเรื่องพระชัพะคี636สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นเมื่อถึงคราวทาจีวรพวกภิกษุฉัพพะคี ออกปากคอได้มาเป็นอันมากครั้นทาจีวรเสร็จแล้วได้เหลืออยู่เป็นอันมากทีนั้นพวกพิษุชัพกีได้มีความคิดว่าเอาเธอพวกเราจะออกปากขอได้อื่นมาใช้ช่างหูกให้ทอจีวรต่อมาพวกพิษุชัพกีได้ไปขอได้เป็นอันมากมาให้ช่างหูกทอจีวรเมื่อทอจีวรแล้วได้ก็ยังเหลือหยิกมาก แม้ครั้งที่สองพวกพิสูจน์ชาวพคีได้ออกปากขอได้อื่นอีกเป็นอันมากมาใช้ช่างหูกให้ทอจีวรเมื่อทอจีวรแล้วได้ก็ยังเหลืออยู่มากแม้ครั้งที่สพวกพิสูจน์ชาวพะคีได้ไปขอได้อื่นอีกเป็นอันมากมาให้ช่างหูกทอจีวรพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามพลธนาว่าชไนพวกพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตร จึงออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ถอจีวรเล่าพวกพิสูจน์ได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามพลทนาว่าฉนายพวกพิสูจน์ฉับขีจึงออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ถอจีวรเล่าครั้นภิสูจน์เหล่านั้นตําหนิพวกพิสูจน์ฉับขีโดยประการต่างๆ